ธรรมาชาดกแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ 14, สิบสี่ 49, มกราคม2549 ม, มีชื่อเรื่องว่าเหตุที่มาของพุทธอุปถากวันนี้เป็นวันพระ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 ออกไปอยู่สักครั้งหนึ่งเมื่อเราไปอยู่ป่าเราต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ทำร้านอย่างนี้ทำทางในยงกมอย่างนี้ไปบินธบาตอย่างนี้ที่นั่งฉันทำอย่างนี้ไปอยู่บริเวณอย่างนี้ต้องไกลน้าอย่างนี้อาบน้ำอย่างนี้ถีนล้างน้าที่ฉันน้าอย่างนี้เหล่านี้คือจะต้องได้ศึกษาถ้าว่าพวกเราไม่ได้ศึกษาคิดคิ ด, คดไปอยู่เอาเลยไปอยู่ในที่เนินสูงเอาเลย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 เข้ามาเราจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไรของเราที่ให้มันยิ่งกว่าเหนือกว่าที่ครูบายจานพาดําเนินมาให้เคร่งกว่าเด็ดเดี่ยวกว่าอันนั้นแปลว่าเราปรับปรุงแก้ไขแต่ข้อสําคัญอย่าให้มันหย่อนกว่าท่านเองอย่าให้มันหย่อนกว่าครูบายจานแต่ทาท่าแข่งตัวหนึ่งอแต่ไปหย่อนอีกตัวหนึ่งอไอตอนที่มันหย่อน ตัวที่มันหย่อนเป็นตัวที่สําคัญอีกต่างหากแต่ทําท่าเข่งไปทางอื่นแต่ว่าการหย่อนปล่อยปะละเลยในการทุดถือทุดลงในการเป็นอยู่ในการฉันชอบโม้ชอบคุยไม่มีเวลาเวลาเสิ่งเหล่านี้โดยมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าหากว่าอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ทําตนให้เป็น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 อยู่กับหลวงปู่ล่าเก้าให้พวกท่านทั้งหลายนับดูกันแล้วกันการศึกษาหรือการเป็นการอยู่จึงได้ออกมาอยู่ที่นี่แต่อยู่ในที่นี่ก็เถอะยู่ยังอยู่ในโอวาทมองครูบาอาจารย์มององค์หลวงตาที่เป็นแนวแถวที่ท่านพาปฏิบัติอย่างไรอันนี้ก็คือ การอยู่กับครูบาอาจารย์มีอะไรเข้าไปไถ่ถามไปศึกษาตามแนวแถวที่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาแต่ถึงยังไงก็ให้อยู่ในหลักธรรมวินยัยอยู่ในแนวแถวที่ท่านพาดาเนินอย่าออกนอกลู่นอกทางในเรื่องการเป็นอยู่เรื่อง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 ท่านก็องค์ไหนจะเข้ามาประทากอุปถัมประทากท่านก็อุปถกักบางปีบางครั้งสัมมาเนนเป็นผู้เป็นผู้อุปถกักท่านก็มีในพระไตรปิฎกแต่ว่าครั้งสุดท้ายที่มีปัญหาท่านไปแสดงธรรมในสถานที่ต่างๆบางครั้งพระพุทธองค์ก็ไปองค์เดียวบางครั้งกไปสององ สองค์บางทีก็เป็นเป็นห้าร้อยเป็นพันก็มีแต่ในครั้งนั้นพระพุทธองค์ไปกับท่านเมขียะพระเมขียะกับพระพุทธองค์ไปด้วยกันภาพเมขียะเป็นผู้ถ่ายบาทพระพุทธเจ้ า, จาแต่ช่วงนั้นพระพุทธองค์ก็อายุขึ้นมีอายุมากขึ้นมาพอสมควรแล้วในดินในท่าน จำไม่ผิดในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ได้45พรราอายุ45ที่ท่านได้มีอุปถากอายุ40กว่าปีตี่้ท่านเดินทางไปครับพรเมกิยะพอถึงทางไปถึงทางสองแพ่งพเมกิยะก็คิดขึ้นมาในใจว่าพระพุทธองค์จะเสด็จไปที่ไหนกรุงสวัสถี กับผมเนี่ยอยากจะไปภาวนาที่ป่ามะม่วงอีกป่าหนึ่งเพราะสถานที่นั่นเป็นที่สงบสงัดดีกับผมอยากจะขอไปภาวนาที่นั่นไปถึงทางสองแพ่งพระพุทธองค์บอกว่าเมียะอย่าเลยเมียียะเราตถาคตมีธุระที่จะไปโปรดหรือไปแสดงธรรมอยู่ในเมืองอีกอีกเมืองหนึ่งท่านไปส่งเราสะก่อน ไปถึงที่นั่นแล้วท่านยังจะไปที่ไหนท่านยัค่อยไปแต่พระเมขียะบอกว่าข้าพระองค์อยากจะไปภาวนาที่นั่นเพราะสถานที่นั่นสงบสงัดดีจับปายะพระเจ้าค่ะพระองค์จะขอไปภาวนาที่นั่นจะไปปฏิบัติที่นั่นพระพุทธองค์แบบขอร้องหรือว่ากล่าว ย้ำถึงสองสามครั้งแต่พระเมขียะก็ยังยืนยันพระพุทธองค์ก็บอกว่าเมขียะวางบริขารไว้ตรงนั้นแหละพระเมขียะวางบริขารลงในทางสองแผงจากนั้นก็เดินแยกไปพระพุทโธงก็ได้เอาบบริขารตะพายขึ้นบ่าเดินออกไปนี่แหละสาเหตุที่พระพุทโธงประกาศหาพุทธอุปถา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 จะเดินจะไปภาวนาจะไปปฏิบัติในสถานที่อีกแข่งหนึ่งได้วางบริขารของเราลงในทางสองแผงจากนั้นก็ได้แยกย้ายกันเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องอย่างน้อยก็ส่งเราะถาคตถึงที่ซะกอ่อนจะไปที่ไหนหรือ ว, ว่ามีผู้รับซะกอ่อนแต่นี้เมคียะได้กระทำอย่างนั้น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 ได้รับพระธรรมคําสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาเป็นสงฆ์ได้ก็คือด้วยความรักเคารพนับถือศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พระพุทธเจ้าก็คือตัวแทนพระธรรมคือคําสั่งสอนพระองค์สงเหล่านั้นก็คือพระสงฆ์ปฏิบัติตามแนวแถวจนได้สำเร็จมรรคสาเร็จผลทีนี้พอพระสงฆ์ได้ยินภาษาริบุตร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 ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพุทธองค์บอกว่าอย่าเลยโมฆคลาท่านยังไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นพุทธอุปถักต์เธอใช้รับหน้าที่อย่างอื่นมีอีกมากที่จะเป็นผู้แนะนําสั่งสอนจากนั้นมาก็มีพระอนุรธธุทธะพระกัจจปะอั克拉สาวกในยุคนั้นที่เข้ามาประชุมแสดงความจำลองที่จะเป็นพุทธอุปถักต์พระพุทธเจ้า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 แต่องค์อื่นแสดงความจำนงแต่พระอ น, นุลไม่พูดอะคือพระอ น, นุลเป็นพระอนุชาเป็นพระอนุชาของพระพุทธเจา้าคือพ่อของพระพุทธองค์กับพ่อของพระอ น, นุลเป็นสองพี่น้องกันสุดโทธนะสุโกโธนาะโทโตทนาะอ่าเนี่ยคือเป็นพี่น้องกันถ้าจะว่าไปแล้วพระอ น, นุลก็คือลูกผู้น้องน้องชายของพระพุทธเจา้าแต่ลูกคนละพ่อ ลูกของอาแต่พระ อ, อ น, นุนก็เฉยไม่ได้แสดงความจำนงอะไรพระสง์ก็บอกว่าท่าน อ, อ น, นุนยังเหลือแต่ท่านที่ยังไม่ได้แสดงความจำนงที่จะเป็นพุทธประทาขอให้ท่าน อ, อ น, นุนแสดงความจำนงเถอครับผมพระ อ, อ น, นุนก็กราบพระพุทธองค์ขึ้นว่าถ้าหากว่าจะให้ข้าพระ อ, องค์เป็นพุทธปทาน ข้าไปข้าพระ อ, องค์ต้องขอพอรจากพระพุทธเจ้าขอพอรแปดประการจากพระพุทธเจ้าถ้าพรุทธองค์ประทานพรให้ข้าพระ อ, องค์จะเป็นจะเป็นผู้ดูแลจะเป็นพุทธอุปถามของพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ถามว่าอาน o ์ท่านที่ขอนั้นเป็นเรื่องอะไรแต่หลวงพ่อก็จําไม่ชัดเจน แต่ยกประเด็นมาเป็นเป็นบางประเด็นให้ฟังนะพระอนุนบอกว่ า, วาขอพระพุทธองค์อย่าให้อาหารอันปราณีตแก่ข้าพระองค์คืออาหารดีๆบางกันแต่อย่าให้อาหารปราณีตแก่ข้าพระองค์พระพุทธองค์ก็ถามว่าทําไมท่านจึงจึงจึงขอพรอย่างนี้เพราะว่าคนต่อไปภายภาคหน้า เขาจะดูถูกข่าพระองค์ได้บ้าที่ท่านอุปถัมภ์พระพุทธเจ้านั่นที่พระอนุ์อุปถัมปะถางพระพุทธเจ้าที่ใกล้ชิดเนี่ยพราะพระอนุ์อยากจะกินของดีเพราะพระอนุลตกตะการในอาหารเพราะนั้นข้าพระองค์ไม่จะไม่รับอาหารอันปรามีตที่จากพระพุทธองค์เออเอาต่อไปอย่าให้จีวรอันปราณีตแก่ข้าพระองค์ก็เหมือนกัน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 พิจารณาดูแล้วเหมาะสมที่เขามานนมณ์นั้นกระผมจะรับรับไว้แต่เมื่อมาเมื่อรับไปแล้วเมื่อพระองค์เสด็จมากระผมจะกราบบรรณาพระพุทธองค์พระพุทธองค์พระพุทธองค์งต้องรับที่ข้าพงศ์ที่ข้าพงศ์งได้ <c oughs> พิจารณาถูกต้องแล้วพระพองค์ต้องรับการในมณ์นั้นจากข้าพระองค์อีก อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าศรัท ธ, ธาญาติโยมเขามาหาข้าพระองค์เขาบอกว่าท่าน อ, อ น, นุนใกล้พวกเชษฐพระพุทธเจ้าของจริงอยู่ไม่มีสิทธ์มีสมอะไรไม่มีสิทธ์อะไรที่จะกราบถุพระพุทธเจ้าได้ขนาดให้กราบถุนพระพเจ้าของงอไม่กล้าที่จะพูดพูดก็ไม่มีศักด์รีพระพุทธเจ้าก็ไม่ไม่เห็นความสําคัญนะอันนี้ข้าพระองค์ขอกาปราราถนาพระพุทธองค์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 มาแสดงทําให้พระ อ, อ น, นุลอีกครอบหนึ่งฟังสะก่อนให้ข้าพระองค์ฟังเพราะเหตุว่าต่อไปภายภาคหน้าเมื่อพระพุทธองค์ไม่มีแล้วเขาก็จะถามว่า อ, อ น, นุลท่าน อ, อ น, นุลใกล้ชิดพระพุทธเจ้ากว่าอย่างนั้นละ่ะ พ, พออนนระพุทธองค์ไปเทศสนาสิ่ใดพระ อ, อ น, นุลก็ไม่รู้เรื่องถามเลยสิพออนนระองค์ไปเทศนี่นั่นไม่รู้เรื่องเพราะนั้นข้าพระองค์จะเป็นทีต่ตําหนิเขา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 แต่สรุปแล้วก็คือร่วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์ต่อพระอา น, นุ์เองต่อส่วนรวมเองต่อพระพุทธศาสนาเองเพราะฉนั้นที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วขาดพระอา น, นุ์ไม่ได้พระอา น, นุ์ต้องเป็นผู้รับรู้รับท ร, รบาบทุกอย่างในการเคลื่อนไหวเหมือนกับเงาเทียมองค์ออกไปที่ไหนกัพระพุทธองค์ไปที่ไหนก็เหมือนกับมีเงา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 อย่างที่เมืองโกสัมพีที่หลวงพ่อเคยพูดในเทพพระสงฆ์ทะเลาะกันแตกเป็นสองฝ่ายเรื่องพระธรรมกถึกกับพระวินัยทรตอนนั้นพระอานุ์ก็อยู่ในนั้นแต่ท่านไม่เอาพระอานุลไปด้วยคือส่วนลึกแล้วคือท่านอยากจะให้พระอานนุ์เป็นผู้ประสานสองฝ่ายในเมื่อเขายอมแล้วไม่มีท่าไม่มีพระอรนุ์ เขาก็ไม่รู้จะทำะยังไงเก๊กังๆพ้นนิสุก็อายไม่กล้าที่จะทําอะไรพน้นนสุก็เลยแตกไปคนละทิศละทางแต่นี้เมื่อพระอานน์ยังเป็นผู้ตัวเชื่อมได้อยู่พระพุทธองค์ก็เจด็จไปตามลําพังไปอยู่ที่อยู่กับช้างป่าเลไลตามลําพังจากนั้นพระสง์ก็เห็นโทษเพราะศรัทธาญาติโยมเขาไม่ใส่บาตรเขาไม่เคารพนับถือ ผลทีสูงก็ยอมยอมกันเองพราะไม่มีอาหารจะฉันไม่ยอมได้ยังไงหเขาไม่ใส่บาตรเขาบอกว่าขณะพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าแท้ๆพระพุทธสอนพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าบอกแท้ๆย่างไม่ฟังพวกเราจะใส่บาตรให้ฉันทํำไมพระหัวดื้อเหล่านี้พระจาติโยงเขาไม่ใส่บาตรให้ฉันยอมโอ้อกเลยทีนี้เพราไม่ได้กินข้าว อพวกอาตมายอมล้วสัมมาคีกันแล้วมีความเห็นปองดองกันแล้วอืมประกาศให้ญาติโยมทราบจากนั้นญาติโยม ก, ก็ใส่บาดจากนั้นก็จะจะไปกราบพระพุทธเจ้าพระนรนบอกว่านี่ในพรรษาอยู่ออกพรรษาซะก่อนพระอานรนจะ เ, เป็นผู้พานำนะท่านก็วางแผนเอาไว้เหมือนกันบริหารจัดการว่างั้นแตะอย่างนั้นพอออกพรรษาเสร็จแล้วพระนรนก็นําพระสงฆ์เหล่านั้น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 ขนาดนั้นอยู่กับช้างอยู่กับปลิงอันนี้เป็นการแสดงความเด็ดเดี่ยวของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะที่ได้ยินได้ฟังเป็นพระเนี่ยอย่าไปหงอถ้าไม่หลุดถูกตามหลักธรรมวินัยแล้วอย่าไปปวกเปียกอย่าไปอ่อน้อต้องเข้มแข็งพระพุทธเจ้าพาเข้มแข็งมาพอแรงเห็นไหมเป็นยังไง อยู่คนเดียวก็อยู่ตายเป็นตายเราไม่ต้อ ง, งพึ่งพึ่งหวังไขทั้งหมดต้องอยู่ตายมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นนี่แหละคือหน้าที่ของพระที่เป็นสระเป็นที่พึ่งของพวกเราเด็ดเดียวอย่างนั้นพุทธังสารนาังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสระเป็นที่พึ่งของพวกเรา ธรรมังสารานางังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึงสังขังสรนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพระอรหันต์เป็นสรณะเป็นที่พึงของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปยึดอย่างอื่นยึดพุทธทางธรรมังสังขงังสังขังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วพวกเราจะมีแต่ความ เย็นอกเย็นใจมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถึงจะอดถึงจะอิ่มถึงจะยากจนยังไงจิตใจของเราก็ชุ่มชื่นเบิกบานด้วยอัดด้วยรรมเพราะนั้นการปรฏิบัติธรรมพวกเราอย่าอ่อนแออย่าปวกเปียกอย่าไหลไปตามโลกต้องเป็นตัวของตัวเองต้องยึดมั่นตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาอย่างไร ถึงจะอดถึงจะอิ่มถึงจะร่ํารวยยังไงก็อย่าไปลืมตัวอย่าไปหลงตัวอย่าไปลืมตัวอย่าไปมัวเมากับสิ่งภายนอก <Hey. S 1> เพราะสิ่งเราภายนอกเหล่านั้นมันเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นมันเอาไปด้วยไม่ได้แล้วไม่ใช่เนื้อใช้หนังของเราเป็นดินเหนียวติดหัวของเราเท่านั้นเองเพราะนั้นอย่าอย่าไปหลงอย่าไปหลงไหลมัวเมากับสิ่งเหล่านั้น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 จนก็รู้จักจนรวยก็รู้จักรวยคนยกย่องก็รู้จักยกย่องลมปากของเขาเขานินทาก็ลมปากของเขาดูตัวเองอยู่เสมอเราในบกพร่องไหมถ้าบเราบกพร่องเราก็ปรับปรุงแก้ไขการกระทําของเราให้ดีขึ้นแต่ถ้าว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าก็แสดงว่าเราเลวเ อ, อเราก็ปรับปรุงให้ดีแต่ถ้าเราดีอยู่แล้ว ถึงเขาจะว่าช่วช้าขนาดไหนเรามองตัวของเราเองเอ๊ะเราก็ไม่เห็นผิดที่ตรงไหนตรงนั้นเขาพูดผิดแล้วเราก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเพราะเราทำตัวของเราดีเพราะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ต้องเชื่อมั่นในการกระทำของเราเชื่อมั่นในการประพฤติปฏิบัติของตนเอง อย่าไปตามลมปากของเขาอย่าไปคิดตามทำตามอำเภอใจของตนเองการกระทำสิ่งไหนต้องยึดแนวแถวหลักพระธรรมวินัยยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไรเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอยู่ณสถานถี่นใดก็ตามต้องยึดมั่นใน ห, หลักธรรมวินัยเป็นหลักหัวใจพวกเราจะมีความ ลมเย็ยนผ้าสุกอยู่ในใจไม่สะทกไม่สะท้านไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ท, ที่มันเกิดมันมีขึ้นหรือมันมากระทบกระแทกเราเพราะนั้นพวกเราโดยมากโดยมากมันก็เจอโลกธรรมเข้ามาเมื่อไรเป๋ไปทุกทุกครั้งทุกทีเพราะเหตุไรเพราะใจไม่มีหลักใจไม่มี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 นักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้มุ่งมั่นในหลักธรรมคําสั่งสอนและก็ให้ภาวนาอยู่ณสถานถิ่นใดอยู่ตามลําพังพยายามเร่งความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งภาวนาพิจารณาความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่หลงไม่ลืมตัวกระพร้อมกันให้มีสติ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> การภาวนาในสติเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่ง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 นั่งภาวนาอย่างไรกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโถนี่แหละวิกธีพิธีการที่พวกเราจะต้องเอาให้จริงจังจากนั้นเมื่อจิตสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรนำมาพิจารณาทางพิจารณาร่างกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ของร่างกายมีอะไรบ้างที่พวกเราได้สวดในท่องสาธยาย แต่จะเป็นสวดแบบนกแก้วนกขนทองว่าไปก็ว่าไ ป, าาไปโดยที่ว่าไม่เห็นตามความเป็นจริงเอ า, า ก, กระดูกอย่างเดียวก็พอนะให้ไล่ยู่สิให้พิจารณาดูสิที่พระพุทธเ จ, จ้าทว่ากระดูกของเรามีอยู่300ท่อนแต่แพทย์ยุคปัจจุบันเขาบอกว่ากระดูกแข็งอาจจะอาจจะอาจจะถึง300แต่นับทั้งกระดูกอ่อนเข้าไปด้วยอาจจะกว่าถึงจะกว่าหรือจะเท่านั้นก็เถอนะก็คือกระดูก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 กิเลสโมหะไม่รู้จะหลงไปเพื่ออะไรนี่ให้พิจารณาถึงตามสามขยักคืออันดับแรกทำจิตให้สงบมีสติอันนี้คือสำคัญเบื้องตน้นจากนั้นเมื่อสติของเราเป็นพื้นฐานพิจารณายกตัวอย่างวันนี้พิจารณากระดูกแต่เราพิจารณาธาตุสี่ก็ได้ พิจารณาสุภาพในส่วนร่างกายตับไตลำไส้อะ อ, อาการ32มสิบามหัวใจตับพังผืดสมองอะไรก็ได้แต่เมวันนี้ไม่ได้พูดถึงจุดนั้นพูดเฉพาะการพิจารณากระดูกถึงจะพิจารณากระดูกก็เถอะมันก็อยู่ในร่างกายอันนี้เหมือนกันเหมือนกับเราพิจารณาอันไหนมันก็วิ่งไปหากันทั้งหมดสรุปแล้ก็คือสิ่งเหล่านี้ มันเป็นของอสุภะเป็นของที่ไม่มั่นคงไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายแน่แตายเปื่อยเน่าลงสู่ดินน้ําลมไฟแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้คือการพิจารณากายถึงจะพิจารณาอกายก็จริงแต่ย้อนเข้ามาหาตัวใจตัวผู้รู้ที่เราไปลุ่มหลงมัวเมานั้นไปร่วนเป็นลุ่มหลาลุ่มหลงมัวเมาก็ดูกใช่ไหม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 ไม่ยึดมั่นถือมั่นในร่างกายไม่ทึกยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจตัวเองด้วยสิ่งเหล่านี้คือคือมันเอคือใจของเราเนี่ยมันมันเหมือนกับเมล็ดข้าวเมล็เข้าเปลือกถ้าเรากระเทาะออกซะแกะเปลือกมันออกมันมีแต่ข้าวสารจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดทั้งนั้นแหละแต่ถ้าว่ามันยังมีกระเปลือกอยู่มันยังมีเชื้ออยู่ในนั้น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 ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะนำมาประพฤติปฏิบัติปรับปรุงแก้ไขกายวา่าใจใจของเราอีกสักวันหนึ่งมรรคผลนิพพานเป็นของพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้เป็นอย่างอื่นแลการพูดการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรเอาต่อนี้ไปนั่งสมาธิที่นี่นะ